การตำหนิผู้อื่นถือเป็นบาปเสมอไปหรือไม่ถามหลังจากฝ่ายธรรมะมาระยะหนึ่งเวลาต้องย้อนกลับไปเถียงกับใครแล้วรู้สึกเหมือนผู้ร้ายเลยอยากถามว่าถ้าการถกเถียงกันเป็นบาปเป็นความผิดอย่างนี้แปลว่าถ้าเห็นใครทำผิดก็ไม่ควรต่อว่าอะไรเลยเหรอตอบ